ธรรมบทแปลเรื่องพระมหากสปะภาคที่สองเรื่องที่สิบก้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงรารมพระมหากสปะเถระพระธรรมเทศนานี้ว่าปะมาทังอปะมาเทนะยะานุทัติ ปัญติโตปัญญาปาสาทะมารุหะอโสโกโสกินิงปะชังปะพระตัตโวะภุมมเททีโรพาเลอเวคติแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาณด้วยความไม่ประมาณเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญา เพียงดั่งประสาทไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกปราชย่อมพิจารณาเห็นคนผานทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพระเถระอยู่ในปีปะพลิกูหา เที่ยวบินนบาทในกรุงราชคฤตภายหลังพัดกลับจากบินบาทนั่งเจริญอาโลกะกสินตรวจ ด, ดูสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแลว้วซึ่งจุติและอุบัติในที่ทั้งหลายมีน้ำแผ่นดินและผู้เขาเป็นต้นอยู่ด้วยทิพยะจากสุ พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแหลทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุว่าวันนี้กัสปะผู้บุตรของเราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไรหนอทรงทราบว่าตรวจดูการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงตรัสว่าชื่อว่าการจุติและอุบัติ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 วิสัยของเธอมีประมาณน้อยส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและอุบัติอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นดังนี้แล้วก็ส่งแผ่พระรัศมีไปเป็นประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ในที่เฉาะหน้าตรัสพระคถานี้ว่าเมื่อใดบัณฑิต บรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงหนังประสาทไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกปราทย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้น บาลีว่าปะมาทังอปะมาเทนะยะานุทัติปันทิโตปัญญาภาษาทะมารุหะอโสโกโสกิหนิงปะชังปะพะตัดโวะพุมมัตเถทีโรพาเลอเวคติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า นุทัติแปลว่าบรรเทาเป็นต้นนั้นความว่าเมื่อใดบัณฑิตพ่อพูนธรรมะมีความไม่ประมาทเป็นลักษณะไม่ให้โอกาสแก่ความประมาทชื่อว่าย่อมบรรเทาคือย่อมขับไล่ซึ่งความประมาทนั้นด้วยกำลังแห่งความไม่ประมาทเหมือนน้ำใหม่ไหลเข้าสู่สะโบกกรณี อย่างน้ำเก่าให้กระเพื่อมแล้วไม่ให้โอกาสแก่น้ำเก่านั้นย่อมรุนคือย่อมระบายน้ำเก่านั้นให้ไหลหนีไปโดยที่สุดของตนฉะนั้นนั่นแหลเหมื่อนั้นบัณฑิตนั้นมีความประมาทอันบรรเทาแล้วบำเพ็ญปฏิปทาอันสมควรแก่ความไม่ประมาท น, นอยู่ขึ้นสู่ปัญญาเพียงหนังประสาท แล้วคือทิพยาจักษุอันบริสุทธิ์โดยอัตถะว่าสูงเยี่ยมด้วยปฏิปทานั้นดุดบุคคลขึ้นสู่ประสาส ท, ทางบันไดฉะนั้นชื่อว่าผู้ไม่เศร้าโศกเพราะเป็นผู้ลาลูกศรคือความโศกเียได้แล้วย่อมพิจารณาเห็นคือย่อมมองเห็นประชาคือหมูสัตว์ผู้ชื่อว่ามีความเศร้าโศก เพราะเป็นผู้ลาลูกสอนคือความโศกอย่างไม่ได้ซึ่งจุติอยู่และกูบติอยู่ด้วยทิพยจักสุขถามว่าเหมือนอะไรแก่ว่าเหมือนคนยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้นบาลีว่าปปะพระตัดโทวะภุมมัดเถอธิบายว่า บุคคลผู้ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมมองเห็นชนผู้ยืนบนพื้นดินได้หรือผู้ยืนอยู่บนประสาทชั้นบนย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่ในบริเวณแห่งประสาทได้โดยไม่ยากฉันใดปราศคือบัณฑิตได้แก่พระมาหากีนาศบแม้นั้นก็ย่อมพิจารณาเห็นคนปานทั้งหลายผู้ยังถอนพืช คือวัตตาไม่ได้จุติอยู่และอุบัติอยู่โดยไม่ยากฉะนั้นในการจบกาตาจนเป็นนันมากกระทําให้แจ้งแล้วซึ่งพระเรียผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระมหากาสปะเทระ